เมื่อต้องสอนก็สอนจริงเมื่อพระเนนผู้แสวงธรรมมาขออยู่ศึกษากับท่านดังกล่าวด้วยความเมตตาของท่านอยากให้เกิดผลในการปฏิบัติท่านจึงให้ความใส่ใจ อย่างจริงจังต่อการแนะนำสั่งสอนให้พากันจำไว้ให้ดีผมสอนจริงจริงสอนหมู่สอนเพื่อนขอให้เห็นใจรับไว้แต่ละองค์แต่ละองค์นี้ผมรับไว้จริงจริงด้วยเหตุด้วยผลสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิความสามารถที่จะสั่งสอนได้ การดูหมู่เพื่อนซึ่งเป็นเสมือนอวัยวะของผมผมดูอย่างละเอียดทีท้่นทุกอย่างเต็มสติกำลังความสามารถของผมที่อื่นๆผมไม่ได้สนใจผมเคยพูดเสมอพอออกนอกวัดไปแล้วใส่แว่นตาดำไปเลยไม่ได้สนใจเพราะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ เราไม่ใช่ผู้ที่จะให้โอวาดสั่งสอนใครๆนี่เป็นเรื่องของเขาสมบัติของใครของเราแต่นี้หมูเพื่อนน้อมกายวาจาใจเข้ามาเพื่อให้เราเป็นภาระอาจริโยเมพันเตโหหินี่ก็รับด้วยโอปาญิกังปฏิรูปังปาสาะิเคนะสัมปาเดหิ